สวัสดีแฟนเพจพระเจอผีแล้วก็แชนแนลบน YouTube พระเจอผีด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดพร้อมกับทั้งกด Subscribe นะคะผู้จัดทาต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าจัดทาคนเดียวค้นหาข้อมูลเองนะคะช่วงเวลาที่ขาดหายไปไม่ได้หนีไปไหนคะ่ะอาจจะติดภารกิจบ้างก็เลยอัปคลิปได้ลงมาให้ฟังกันเนี่ยค่อนข้างช้าบ้างก็อย่าเพิ่งว่ากันเนาะยังไงก็จะรีบนะคะหาเรื่องราว นำมาเล่าให้ฟังกันนะคะบางคนก็บอกว่าเสียงนี้คุ้นๆมาจากเดอช็อกหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเสียงนี้คุ้นๆมาจากช่องโมโนหรือเปล่าจริงๆแล้วมาจากหลายที่คะ่ะ นะคะควันนี้มีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งมาฝากกันด้วยนะคะตามคําเรียกร้องของแฟนเพจนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยู่ใน Channel พระเจอผีด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งที่ฟังดูแล้วก็ค่อนข้างแปลกประหลาดเหลือเชื่อคะ่ะหลายท่านอาจจะไม่เชื่อว่าเป็นความจริงแต่ขอให้เชื่อเถอดนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องจริงคะ่ะชวนอัศจรรย์ใจที่เกิดขึ้นจนตกเป็นข่าวดังทางหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะ เรื่องของผีนางโรสค่ะศพไรายาตที่วัดห้วยตะโกจังหวัดนครปฐมสุดเนยนโผล่ร้านลงศพสั่งเปลี่ยนโงแพงกว่าที่พระจองไว้ให้พร้อมดอกกุหลาบอีกจำนวนมากค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าที่วัดห้วยตะโกตำบลพะเนียดอําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐม มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร, รยาต ร, ราวสิบศพที่บรรจุอยู่ในโรงเดียวกันค่ะเมื่อไปถึงที่วัดดังกล่าวก็พบโรงศพสีขาวตั้งอยู่บนกุฏิเจ้าอาวาสพบพระครูสังครักษ์ไผ่บุญซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนะคะกำลังเก็บทาความสะอาดสถานที่ จเจ้าอาวาสวัดห้วยตะโกะเปิดเผยนะคะว่าตนจะทำการเผาศพรรยญาติกว่าส0บศพส่วนใหญ่ก็จะเป็นอวัยวะไม่ครบบางรายนะคะก็มีมาแต่กะโหลกค่ะบางศพก็มาเกือบทั้งตัวซึ่งทำเป็นประจำทุกปีมานานกว่า20ปีเริ่มจากศพนางรสนะคะซึ่งไม่ทราบชื่อสกุลจริงค่ะได้ผูกคอตายในบ้านใกล้ๆวัดแล้วก็ไม่มีญาติด้วยนะคะจึงรับทาเป็นเจ้าภาพจัดการทั้งหมดให้ ซึ่งจะเอาวาดเปิดเผยค่ะว่าตอนจะเผาศพนางรสอาตมาได้เข้าไปเมืองนคนปรปฐมสั่งลงศพราคาประมาณ 2,500 บาทพร้อมดอกไม้อีกสิบก ร, รมให้มาส่งที่วัดแต่ปรากฏว่าตอนลงมาส่งนะคะไม่ใช่ลงศพเดียว ก, กันกับที่สั่งจองไว้แถมยังมีดอกกุหลาบสีแดงอีกจำนวนมากเลยซึ่งทางร้านบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงมาสั่งให้เปลี่ยนแล้วก็บอกว่าใครสั่ง ก็ให้ไปเก็บเงินกับคนนั้นเมื่อเจ้าของร้านมาเห็นรูปที่ตั้งอยู่หน้าเมนเผาศพก็ได้ชี้แล้วก็บอกว่าผู้หญิงในภาพเป็นคนสั่งจึงไม่รู้ว่าจะไปเก็บเงินกับใครค่ะคุณผู้ฟังพระครูสังฆารักษ์ภัยบุญก็กล่าวแบบนี้นะคะให้กับทั้งด้านของผู้สื่อข่าวได้ฟังทั้งนี้ค่ะหลังจากที่ข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวบ้านนะคะมาร่วมงานศพทั้ง3คืนแล้วก็งานศพ างานเผาศพเป็นจานวนมากนะคะหลังจากนั้นก็มีคนแปลกหน้ามาถามเรื่องศพนางรสแล้วก็นำดอกกุหลาบมาเคารพศพนางรสเป็นประจำเกือบทุกปีค่ะโดยพระครูสังฆรักษ์ภัยบู์นะคะเชื่อนะคะว่าวิญญาณนางรสเนี่ยคงจะไปดนจิต ด, ดนใจให้นำดอกกุหลาบมาเคารพศพของตัวเองนั่นเอง ข่าวชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์รายวันเกือบทุกฉบับนะคะเมื่อต้นเดือนมีนาคม2557ที่ผ่านมาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะนับว่าเป็นปรากฏการณ์ทางวิ ญ, ญญาณที่ค่อนข้างแปลกแตกต่างจากเรื่องราวกับพลังวิญญาณที่เคยได้ยินได้ฟังมาก็เลยเดินทางไปพบกับพระครูสังครักษ์ภัยบุญจเจ้าอาวาสวัดห้วยตะโกเพื่อค้นหาความจริงนะคะซึ่งจเจ้าอาวาสก็บอกว่าทั้งหมดที่เป็นข่าวนี่คือเป็นเรื่องจริง แม้ว่ามันจะเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่อาตมาที่ยืนยันได้เพราะว่าชาวบ้านโดยเฉพาะคนพื้นที่ทุกคนแถวนี้เข้ารับรู้กันทั้งนั้นนี่ก็เป็นประโยคแรกค่ะคุณผู้ฟังที่ท่านจะเอาวาดวัดห้วยตะโกบอกกับทางทีมงานหลังรับทราบจุดประสงค์ในการเดินทางมาพบกับท่านในครั้งนี้นะคะ จากนั้นท่านก็ได้เล่าย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเถะว่าความจริงนะคะสาเหตุที่ทางวัดได้รับความสนใจจากนักข่าวนั้นสืบเนื่องเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการขุดพบศพผู้หญิงคนหนึ่งโดยบังเอิญเข้าโดยขณะปรับพื้นที่ภายในอาณาบริเวณวัด ศพของหญิงนิรนามคนดังกล่าวค่ะได้สร้างความแตกตื่นให้กับคนในละแวะกวัดเป็นอย่างมากเนื่องจากสภาพศพไม่เน่าเปื่อยย่อยสลายไปตามธรรมชาติทั้งที่เสื้อผ้าที่สวมใส่นะคะก็ผุพังขาดวินจนแทบจะไม่เหลือซากบ่งบอกได้นะคะว่าผู้หญิงคนนี้ตายมานานมากแล้วจึงสร้างกระแสความฮือฮาแล้วก็ร่ำลือแพร่ขยายไปเป็นวงกว้าง ไม่เพียงแต่ศพไม่เน่าเปื่อยของผู้หญิงคนนั้นต่อมาก็ได้มีการพบซากโครงกระดูกอีกหลายชนิด่าขออภัยค่ะอีกหลายชิ้นนะคะซึ่งมีทั้งหัวกระโหลกแขนขาแล้วก็กระดูกส่วนต่างๆอาตอมาก็เลยเอามาเก็บรวมกันไว้ที่สาราหน้ากุติเพื่อจะได้ทำพิธีชาปนกิจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาตามหลักศาสนาก็เหมือนกับว่าเราทาการเผาศพไม่มีญาตินั่นเองนะคะพระครูสังฆรักษ์ท่านพูดให้ฟังนะคะ สอดคล้องกับที่ท่านได้จําได้จัดทําพิธีชาปนากิจศพไม่มีญาติติดต่อกันทุกปีมาเป็นเวลานานกว่า20ปีแล้วนะคะจากนั้นก็มีผู้สื่อข่าวหลายสํานักค่ะเดินทางมาเพื่อทําข่าวแต่ว่าท่านจเจ้าอาวาสวัดห้วยตะโกไม่อยากให้เรื่องนี้ตกเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์เนื่องจากเกรงว่าผู้คนจะแห่กันมารบกวนศพโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นหวยชอบเสาะหาโชคลาภเลขเด็ดต่างๆท่านก็เลยบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าความจริงแล้วเรื่องอัศจรย์เกี่ยวกับคน ที่เกิดขึ้นในวัดห้วยตะโกเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงการขุดพบศพหญิงในื้นามผู้ที่ไม่เน่าเปื่อยยังมีเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเฮี้ยนของหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่สร้างกระแสฮือฮาชวนขนหัวลุกได้ให้กับชาวบ้านในละแวะกวัดอีกนะคะเมื่อสิกว่าปีที่ผ่านมานั่นคือเรื่องราวปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผีเลือกลงของผู้หญิงที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองคนหนึ่งซึ่งต่อมาชาวบ้านได้ขนานนามของเธอว่ารส อันหมายถึงดอกกุหลาบนะคะที่เธอโปรดปรานเป็นชีวิตจิตใจทั้งขณะยังมีชีวิตอยู่และก็แม้แต่ตอนที่สิ้นลมหายใจไปแล้วค่ะ ย้อนคืนสู่อดีตเมื่อครั้งนั้นนะคะหลวงพ่อเล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวกัมพูชาได้ตัดสินใจเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนติดตามผู้ชายนะคะที่มีอาชีพขับรถสิบล้อมาจากจังหวัดตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาค่ะมาอาศัยอยู่กินฉันสามีภรรยาในบ้านหลังเล็กๆใกล้กับวัดห้วยตะโกตาบนพะเนียดอาเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐม ไม่มีใครทราบชื่อจริงของเธอนะคะว่าชื่ออะไรรู้แต่ว่าสามีหนุ่มสิบล้อเนี่ยเรียกเธอเป็นภาษาไทยว่านิดนะคะนิดติดตามหนุ่มขับสิบล้อมาร่วมใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยด้วยหลงลมปากค่ะว่าเธออยู่กับเขาจะได้พบชีวิตที่ดีกว่าสุขสบายกว่า อยู่บ้านเกิดของเธอซึ่งมีแต่ความอดอยากแร้นแค้นแล้วก็มีพร้อมทุกอย่างนะคะผู้ชายเขาบอกว่าเขามีพร้อมทุกอย่างสามารถเปลี่ยนชีวิตของของนิดเนี่ยให้พลิกผันไปในทางที่ดีราวกับว่าฝันที่เป็นจริงเลยล่ะค่ะหญิงสาวจากต่างแดนก็เลยตัดสินใจหอบความฝันอันเต็มเปี่ยมกับเสื้อผ้าซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่ตัวขึ้นรถสิบล้อมากับแฟนหนุ่มโดยคาดหวังว่าเธอเนี่ยจะได้มาใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขกับชายคนรักแต่ว่า เมื่อนิดมาถึงนะคะก็ต้องพบกับความผิดหวงังเพราะเพียงแค่ได้เห็นสถานที่พมนักพักพิงซึ่งเป็นเพียงเรือนไม้ไผ่หลังเล็กๆปลูกอยู่ในเนื้อที่อ no ันน้อยนิดเธอก็เริ่มรู้แล้วล่ะค่ะว่าตัวเองวาดฝันไว้บันเจิดจนเกินไปเพราะเคยหวังไว้ว่าอยากมาทำสวนกุหลาบเล็กๆไว้ตัดดอกขายเป็นอาชีพ แต่ว่าในความเป็นจริงนะคะแม้แต่อาาบริเวณที่เธออยากจะปลูกต้นกุหลาบที่โปรดปรานสักเพียงไม่กี่ต้นก็ยากจะเป็นไปได้ค่ะที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือเมื่อได้มาใช้ชีวิตอยู่กับหนุ่มสิบล้อเพียงไม่นานนักนะคะนิดก็ได้รู้ความจริงว่าสามีของเธอมีภรรยาแล้วก็ครอบครัวอยู่ก่อนแล้วและการตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่กับเขานะคะเธอก็อยู่เพียงในฐานะของเมียน้อยหรือเมียเก็บเท่านั้นค่ะ แม้ในโลกแห่งความเป็นจริงจะแตกต่างกับภาพฝันราวฟ้ากับเหว ว่าหัวอกของรูกผู้หญิงที่พลัดถิ่นมาจากแดนไกลก็ยังพอชุ่มชื้นอยู่บ้างเมื่อพบนะคะว่าหนุ่มสิบล้อผู้เป็นสามีนั้นยังคงแสดงความรักและดีต่อเธออย่างเสมอต้นเสมอปลายในระยะเข้าใหม่ปลามันและที่สําคัญค่ะคือระยะที่บ้านใหญ่ยังไม่รู้นะคะว่าสามีของตนไปมีบ้านเล็กกับหญิงสาวชาวกัมพูชาพระครูสังครักษ์ไพบุญจะอาวาดวัดห้วยตะโกกล่าวย้อนถึงความรู้สึกในอดีตพร้อมกับเล่าให้ฟังต่อไปะค่ะว่า หลังจากที่นิตติดตามหนุ่มสิบล้อผู้เป็นสามีได้ช่วงเวลาหนึ่งนะคะบ้านใหญ่ก็เริ่มระแคะระคายจากนั้นไม่นานความก็แตกและนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้หนุ่มสิบล้อค่อยๆเริ่มเหินห่างแล้วก็ร้างลาไป บ่อยครั้งที่นี้ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวเงาเพราะว่านอกจากอาชีพขับรถสิบล้อของผู้ที่เป็นสามีจะทำให้เขาต้องออกเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆอยู่เป็นประจำแล้วนานๆครั้งนะคะจะได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนบ้างเขาก็ต้องกลับไปอยู่กับลูกแล้วก็อยู่กับภรรยาหลวงทำให้เวลาสําหรับนิดแทบจะไม่หลงเหลือเลย นี่จึงอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้นิดนะคะกลายเป็นหญิงสาวที่ดูซึมเศร้าในสายตาของชาวบ้านแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงในระยะหลังๆนะคะก่อนที่เธอจะตัดสินใจอําลาโลกแห่งความจริงกับความฝันอันแหลกสลายมาลายสิน้นด้วยการแขวนคอตายภายในเรือนหลังเล็กที่เธอต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงลาพัง ข่าวการตายของหญิงสาวชาวกัมพูชาผู้พลัดถิ่นแพร่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วในวันที่พบศพก็มีชาวบ้านย่านวัดห้วยตะโกไปมุงดูกันเป็นจำนวนมากค่ะต่างก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเนื่องจากเป็นการตายโหงด้วยการแขวนคอตายซึ่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปค่ะว่าวิญญาณของผู้ที่ต้องจบชีวิตลงเช่นนี้ย่อมมีความเี้ยนมากกว่าผู้ที่ตายโดยปกติ และแน่นอนนะคะว่าวิญญาณของนิดก็ย่อมต้องเหี้ยนดุจเดียวกัน เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะได้ไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็ความจริงจากชาวบ้านในละแวกวัดห้วยตะโกหลายรายค่ะก็พบนะคะว่าผู้คนที่เป็นคนพื้นถิ่นจะรู้เรื่องราวความเฮี้ยนของดวงวิญญาณของนิดเป็นอย่างดีค่ะไม่เฉพาะแต่เรื่องราวการไปสั่งเปลี่ยนลงศพถึงร้านที่เคยตกเป็นข่าวดางังทางหน้าหนังสือพิมพ์แต่เพียงเท่านั้นนะคะบางคนก็เล่าค่ะว่าในช่วงหลังการตายของนิดในขณะที่เขาเดินทางกลับมาจากทํางานในช่วงโผล่เพลส พอเดินมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะก็คือหน้าบ้านของนิดก็จะมีกระแสลมวูบหนึ่งพัดกระโชกขึ้นมาประทะร่างจากนั้นนะคะก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่องครวญอย่างน่าสงสารนะคะเท่านั้นละค่ะก็เพ่นกันป่าราบแม้จะไม่เห็นว่าใครเป็นเจ้าของเสียงเพราะว่าเหตุการณ์ทํานองนี้มันเกิดขึ้นบ่อยหลังจากพบศพของนิดนะคะ ชาวบ้านอีกคนนึงค่ะเล่าว่าขณะที่เขาเดินเข้ามาในซอยบ้านก็กําลังจะถึงบริเวณป่าหญ้ากลางซอยก่อนถึงบ้านของนิดผู้ตายค่ะเขาก็เห็นผู้หญิงคนนึงนะคะเดินออกมาจากแนวปา่าหญ้าริมทางแล้วก็เดินช้าๆนาหน้าไปเรื่อยๆแต่ที่น่าแปลกใจนะคะถึงแม้ผู้หญิงคนนั้นจะเดินช้าแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถที่จะเดินตามเธอได้ทันนะคะ พอถึงบริเวณหน้าเรือนไม้ไผ่หลังเล็กซึ่งเป็นที่พบศพผู้หญิงคนนั้นก็เดินเลี้ยวเข้าไปข้างในแล้วก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาเขาก็เลยต้องใส่ตีนหมาค่ะโกยแนบพร้อมกับร้องเออะโวยวายเหมือนกับคนบ้าเลยทีเดียวนะคะ ชาวบ้านหลายรายกล่าวตรงกันค่ะว่าวิญญาณของนิดนะคะคงเป็นวิญญาณที่ทรมานค่ะเธอคงไปไหนไม่ได้จึงวนเวียนอยู่ในสถานที่ที่จบชีวิตของตัวเองลงจึงมักจะปรากฏตัวออกมาให้ผู้คนเห็นเพื่อขอความช่วยเหลืออะไรสักอย่างนอกจากนี้นะคะยังมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณกิ่งค่ะเป็นหนุ่มใหญ่นะคะซึ่งอาศัยอยู่ในอ่าละแวะกวัดห้วยตะโกมานานแล้วนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับความเฮี้ยนของวิญญาณโรสหรือว่าคุณนิดนะคะเมื่อครั้งที่ยังอยู่ในวัยเด็กค่ะแล้วก็เรื่องจริงจากคำบอกเล่าของคุณกิ่งขอนำมาเรียบเรียงดังต่อไปนี้ค่ะเรื่องผีผีเป็นเรื่องที่ใครไม่เจอก็อาจจะไม่เชื่อซึ่งตัวของคุณกิ่งเองก็เป็นหนึ่งในจานวนนั้นนะคะจนกระทั่งคุณกิ่งอายุ15ปีก็ได้เจอเข้าแบบจะจะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเขาก็เลยเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่เชื่อสนิทใจแล้วก็หวาดกลัวมาจนถึงทุกวันนี้นะคะในสมัยเด็กคุณกิ่งเป็นคนที่ซุกซนอามากๆค่ะวันๆก็ไม่ค่อยอยู่ติดบ้านชอบออกไปตระเวนเล่นที่นู่นที่นี่ยังไม่รู้จักเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ห้ามก็ไม่ฟังขูแล้วก็ตีขูแล้วก็ดีนะคะตีก็ดีนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยฟัง ฟังได้เพียงแค่ไม่กี่วันค่ะก็ไปอีกเหมือนเดิมนะคะจนกระทั่งในวันหนึ่งค่ะคุณกิ่งเขาบอกว่าเขาเจอดีที่บ้านพินิษสิ่งที่ผมเจอมากับตาของตัวเองมันสามารถหยุดความซุกซนของผมได้อย่างสิ้นเชิงนับจากนั้นเป็นต้นมา ยังจำได้ดีถึงบรรยากาศในตอนเช้าวันนั้นคือตื่นเช้ามาท่ามกลางเสียงเ อ, อะอะเอ็ดตโรของผู้คนที่อยู่ในละแวกบ้านเมื่อจับใจความได้ถนัดบอกว่าพี่นิดสาวรุ่นพี่ผู้มีใจอารีกับเหล่าธรมนอย่างพวกผมเสมอมาแกผูกคอตายที่บ้านเช่าของแกซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านของผมนะัก ผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่าพินิษผูกคอตายในบ้านเช่าหลังนั้นเพราะว่าตามปกติแล้วพินิษฐเป็นคนใจดีเพราะว่าเวลาที่พวกผมวิ่งไปเล่นที่บ้านของแกนอกจากแกจะไม่ดุแล้วพินิษยังใจดีหาขนมให้พวกผมกินอิจฉาหากดูแล้วก็ไม่น่าเลยนะครับที่จะต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้คุณกิ่งก็กล่าวนะคะจากนั้นคุณกิ่งเล่าต่อค่ะว่าพินิษเป็นคนสวยเป็นคนสวยมากในสายตาของผมแกเช่าบ้านหลังนี้อยู่กับสามีของแกซึ่งนานๆสามีจะกลับ มาให้เห็นหน้าสักครั้งหนึ่งแล้วก็ภาพสุดท้ายที่ผมได้เห็นพินิจก็คือร่างของแกในชุดกระโปรงสีฟ้าถูกแบกออกจากบ้านเช่าแกใช้เชือกผูกกับคานบ้านจบชีวิตของตัวเองลงอย่างน่าอนาจใจ หลังจากที่พินิดผูกคอตายในบ้านเช่าชาวบ้านต่างก็พากันกล่าวขานกันว่าวิญญาณตายหงของพินิดนั้นเฮี้ยนมากหลังจากที่ตายไปก็มาปรากฏตัวให้หลายคนเห็นจนขวัญ น, นีดีฝอและก็ในที่สุดบ้านเช่าหลังนั้นก็ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นหลายเดือน แรกๆผมเองก็ไม่กล้าไปวิ่งซุกซนภายในบริเวณบ้านพินิษ์เหมือนเดิมเพราะว่าพวกผู้ใหญ่มักจะขู่ว่าหากไปวิ่งซนที่นั่นระวังจะโดนผีพินิษฐ์หลอกเอาแต่เมื่อเวลาผ่านไปความกลัวก็เริ่มลดลงแล้วในที่สุดพวกผมก็กลับเข้าไปวิ่งเล่นภายในบริเวณบ้านหลังนั้นอีกครั้งวันหนึ่งด้วยความซุกซนของพวกเราก็ได้เกิดการท้าทายกันขึ้นมาว่าจะมีใครกล้าไปแอบดูภายในบ้านพินิษตอนช่วง โ, รโพรเพย์บ้างแล้วผมก็รับคำท่านั้น ด้วยการงัดหน้าต่างเข้าไปตอนเย็นของวันหนึ่งเพื่อแลกกับเงินที่เพื่อนๆลงขันจํานวนหลายสิบบาทภายในบ้านที่เต็มไปด้วยฝุ่นที่จับนาเตอะหยัก ย, ย่าไระยงระยางเงียบแล้วก็แสนจะวังเวงคุณกิ่งบอกว่าปีนเข้าไปนะคะในหน้าต่างแล้วก็เข้าไปในห้องขณะเดียวกันก็จะต้องร้องบอกเพื่อนๆที่อยู่ด้านนอกด้วยว่าตอนนี้เดินถึงตรงไหนแล้วเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราได้เข้าไปสำรวจภายในบ้านที่ร่ำลือว่าผีดุจริงๆ ในขณะนั้นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าภายในบ้านก็เริ่มสลัวจนผมเกิดความกลัวจนเกือบถอดใจแต่ว่าในที่สุดเมื่อเข้ามาก็เลยต้องจำใจทำให้สำเร็จจึงค่อยๆตัดสินใจเปิดประตูห้องนอนอันเป็นที่จุดที่พบศพพี่นิดแง้ม อ, อกทีละนิดทีละนิดนะคะจนกระทั่งเห็นสภาพภายในอย่างชัดเจนและนั่นคือวินาทีรันอ่าวินาทีนรกนะคะที่คุณกิ่งบอกบอกว่า ภาพที่เห็นมันทําให้ผมต้องตกตะลึงตาค้างกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าหัวใจเต้นโครมครามจนต้องร้องลัน่นพร้อมกับหันหลังเผ่นออกมาจากบ้านหลังนั้นให้ทันก่อนที่หัวใจจะวายคุณกิ่งบอกเห็นเต็มตาเลยครับว่าตรงกลางห้องปรากฏร่างพินิษแขวนคอห้อยตรงเตงอยู่แกอยู่ในชุดเดิมวันที่พบศพคือชุดกระโปรงยาวสีฟ้าใบหน้าของพินิษเขียวคล้ำตาเหลือกและลิ้นห้อยจุกปากซึ่งมันเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของผม แม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นจะผ่านมาแล้วเกือบ20ปีนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าสภาพผีของพี่นิดนะคะที่ยังมองเห็นยังคงติดตาคุณกิ่งมาโดยตลอดแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนั้นมันทําให้คุณกิ่งหยุดความสุกซนได้อย่างถาวร น, นับแต่นั้นมาผมคิดว่าวิญญาณพี่นิดแกคงอยากรอเล่นกับน้องๆคนสนิทอย่างผมแต่เล่นอย่างนี้เห็นทีไม่ไหวเพราะว่าทําให้ผมจับไข้ไปหลายวันนะคะ นี่ก็คือเรื่องของคุณกิ่งนะคะที่นำมาเล่าให้ฟังเป็นผู้ชายที่อยู่ในวัย40ปีเศษนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังพระครูสังครักษัยบูรณเจ้าอาวาสวัดห้วยตะโกนะคะก็ยังยืนยันเรื่องเหตุการณ์แปลกเหนือคำอธิบายเกี่ยวกับวิญญาณของนางนิดหรือว่านางโรสให้ฟังอีกบอกว่า อาตมาว่ามันเป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่อาตมาตั้งศพสวดอภิธรรมให้กับนางโรสในครั้งนั้นเราก็ตั้งศพไว้ในศาลาตามปกติแล้วอาตมาก็เปิดไฟเป็ น, <ใ>นทํานองย้ายกันหลายรายาว่าอาตมาจัดประดับประดาไฟตกแต่งงานศพให้กับนางโรสย่างกับงานศพคนใหญ่คนโต บางคนก็เห็นถนัดชัดตาว่าในศาลามีแสงสว่างสวัยสวยงามจนบางคนไม่รู้ก็นึกว่ามีงานศพเศรษฐีทั้งที่ช่วงนั้นไม่มีศพอื่นมาตั้งสวดเลยมีแค่ศพนางนิดเพียงศพเดียวเท่านั้นพออาตมาถามก็บอกว่าไม่เชื่อก็ลองขึ้นไปดูที่ศาลาสิพอขึ้นไปก็พบว่ามีแค่หลอดนีออนอยู่เพียงแค่หลอดเดียวจริงๆ จเจ้าอาวาสวัดห้วยตะโกกล่าวนะคะส่วนชาวบ้านที่เคยไปร่วมงานศพของนางโรสค่ะเมื่อครั้งท่านพระครูสังขรักษ์ไผ่บูรณ์เจ้าอาวาสวัดห้วยตะโกได้รับจัดทำพิธีชาปนกิจให้ด้วยความเมตตาสงสารค่ะเนื่องจากนางโรสเป็นชาวกัมพูชาที่ต้องมาจบชีวิตในต่างบ้านต่างเมืองก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ประหลาดหลากหลายเรื่องราวแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของตนเองนะคะอย่างเช่นป้าเพียนค่ะวัย60ปีเล่านะคะบอกว่าตอนคุณโรเสเกษียชีวิต ป้าก็ไปร่วมงานศพกับเขาด้วยเราก็พอรู้มาว่าเขาชอบดอกกุหลาบมากขนาดตายไปแล้วยังไปเปลี่ยนโงศพแล้วก็สั่งดอกกุหลาบมาประดับประดาศพของตัวเองวันนั้นป้าเองก็ตั้งใจซื้อดอกกุหลาบไปงานศพคุณรสแต่บังเอิญไม่มีขนาดไปที่ตลาดดอกไม้ก็ไม่มีขายก็เลยไม่ได้เอาไปตามที่ตั้งใจไว้ พอไปถึงที่วัดขึ้นไปบนศาลาป้าเขาก็จุดธูปบอกกล่าวศบเรียบร้อยก็มานั่งลงกับพื้นห้องถอยออกมาทางมุมด้านขวาแต่ขณะที่พระกำลังสวดอภิธรรมอยู่ที่จบที่3ดอกกุหลาบไม่รู้กลิ่นมันมาจากไหนก็ไม่ทราบ ป, ปลิวฟุ้งมาเข้าจมูกป้าอย่างแรงป้าก็เลยถามเพื่อนที่ไปด้วยกันได้กลิ่นดอกกุหลาบบ้างไหมเขาก็บอกว่าได้กลิ่นแต่ถามคนอื่นเขาก็ไม่ได้กลิ่นกัน ป้ากับเพื่อนจึงพูดกันว่าสงสัยคุณโรสมาทวงดอกกุหลาบกับเราดังนั้นรุ่งขึ้นอีกวันทั้งสองจึงต้องไปหาซื้อดอกกุหลาบมาไว้ผ่านหนึ่งเพื่อไว้ที่หน้าศพพอเสร็จก็พากันกลับไปบ้านคืนวันนั้นป้าฝันว่าป้ากับเพื่อนคนเดิมได้พบคุณโรสเหมือนกับตอนที่แกยังมีชีวิตคุณโรสมาบอกว่าขอบใจนะที่เอาดอกกุหลาบมาให้แล้วอย่างนี้จะให้คิดว่าอย่างไรวิญญาณคนวิญญาณคนตายมาบอกเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของความบังเอิญก็ไม่รู้ อันนี้ก็จะเป็นป้าเพียรเล่าให้ฟังนะคะส่วนคุณลุงบุญชูค่ะชอบเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่ไปฟังสวดศพคุณโรสนั้นลุงก็ไปทั้งที่ไม่ได้สนิทสนมคุ้นเคยอะไรกับผู้ตายเท่าไหร่นักแต่ว่าด้วยความเฮี้ยนของเธอที่ตามไปปรากฏตัวเพื่อขอเปลี่ยนลงศพถึงที่ร้านทำให้ชาวบ้านหลายคนพากันไปร่วมงานสพของเธอด้วย พอไปถึงที่หน้าศพ ล, ง ล, ออลุงบุญชอบกับเพื่อนๆ น, นะคะก็จุดธูปบอกกล่าวผู้ตายแล้วก็มานั่งที่เก้าอี้นอกศาลาเด็กๆลูกศิษย์ของหลวงพ่อบอกว่าศาลาข้างในมีเก้าอี้ว่างหลายตัวลุงบุญชอบกับเพื่อนๆจึงเดินเข้าไปนั่งที่ด้านหลังตอนเข้าไปก็ยังไม่ได้กลิ่นอะไรแต่พอคุยไปสักพักหนึ่งลุงบุญบอกว่าได้กลิ่นดอกกุหลาบฟุ้งกระจายเป็นละลอกนะคะรู้สึกได้อย่างชัดเจนมากแต่ก็ทําเฉยซะในใจก็คิดว่าคงเป็นเพราะมีคนนําดอกกุหลาบมาไหว้ศพเป็นจํานวนมากจึงทํำ ให้ได้กลิ่นดอกกุหลาบซึ่งก็คงไม่น่าแปลกอะไรจนกระทั่งเมื่อพระสวดเสร็จทุกอย่างต่างคนต่างก็เดินกลับบ้านค่ะแต่ว่ากลิ่นดอกกุหลาบก็ยังตามมาถึงบ้านลุงบุญชอบจึงถามคนที่ไปด้วยกันบอกว่ายังได้กลิ่นดอกกุหลาบกันทุกคนไหมเพื่อนรุ่นพี่ที่ไปด้วยกันก็พูดขึ้นว่าแม่นิดมาส่งเราถึงหน้าบ้านเชียวจากนั้นทุกคนก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้วิญ ญ, ญาณของเธอไปอยู่ในที่ที่สุขติภูมิเถิดแล้วสักพักกลิ่นกุหลาบมันก็จางหายไปนะคะ สำหรับผู้ที่เคยสัมผัสกับเหตุการณ์เหนือคำอธิบายเกี่ยวกับความเฮี้ยนของดวงวิญญาณนางโรสอีกรายหนึ่งคือคุณลุงสุวรรณอยู่ปรุงซึ่งปัจจุบันท่านย้ายมาพำนักในกรุงเทพพร้อมกับครอบครัวค่ะในวันที่เราเดินทางไปพบนะคะเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณลุงสุวรรณเกี่ยวกับความเฮี้ยนของวิญญาณโรสนั้น คุณลุงสวรรบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็ช่วงนั้นเป็นแกเป็นคนละแวกวัดห้วยตะโกแล้วก็มีชาวบ้านในละแวกนั้นหลายคนนะะีคะบอกว่าเจอกับเหตุการณ์แปลกก็อย่างที่โบราณเขาว่าเพราะว่าการผูกคอตายคือการตั้งใจฆ่าตัวตายวิญญาณก็เลยต้องทนทุกข์ทรมานกับผลกรรมที่ทํากับชีวิตของตนเองค่ะ ลุงสวรรณเล่าให้ฟังขาะว่าในช่วงที่มีข่าวว่าวิญญาณนางโรสไปปรากฏตัวที่ร้านขายลงศพเพื่อสั่งเปลี่ยนลงที่ท่านจะเอาวาดวัดห้วยตะโกไปสั่งซื้อเพื่อมาบรรจุศพของเธอนั้น ก็เป็นที่ร่ำลือของชาวบ้านเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็มีชาวบ้านหลายคนที่ประสบพบเจอกับแรงเฮี้ยนของวิญญาณเธอสำหรับดุงสุวรรณนั้นตอนที่ได้ยินเรื่องเหล่านี้แกก็นึกหัวเราะอยู่ในใจนะคะด้วยไม่เชื่อ ว, ว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเรื่องจริงจนกระทั่งได้พบเจอกับตัวเองเข้าหลังจากที่จเจ้าอาวาสทำพิธีชาปนากิจศพนางรดไปเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งผมก็เดินทางไปทางานตามปกติ แต่ว่าวันนั้นสำหรับผมไม่ค่อยปกตินักเพราะผมพึ่งหายจากไข้แล้วก็พึ่งไปทำงานวันแรกหลังจากที่ลาหยุดไปเกือบอาทิตย์เต็มๆอาการโดยรวมยังไม่ค่อยดีนักแต่ว่าเพราะด้วยเพราะความเกรงใจผมเลยต้องลุกจากที่นอนหลังจากที่นอนสมมาเกือบอาทิตย์ด้วยผิดไข้ผมวุ่นอยู่กับงานจนเย็นย่เพอเงยหน้ามองนาฬิกาข้างฝาก็ เกือบสองทุ่มแล้วเพื่อนร่วมงานหลายคนก็ทยอยกันกลับบ้านเกือบหมดหัวหน้างานของผมก็ยังคงประชุมอยู่ในห้องจนผมเองก็รู้สึกไม่ไหวก็เลยเก็บของเพื่อจะกลับบ้านตอนแรกตั้งใจว่าระหว่างทางจะแวะซื้อข้าวต้มปลากลับไปกินที่บ้านแต่แล้วก็ลืมจนได้ผมขับรถผ่านหน้าวัดไปสมัยนั้นสองข้างทางมันมืดมากมองแทบจะไม่เห็นทางและผมก็ไม่ค่อยชินเพราะปกติจะกลับบ้านไม่เกินหกโมงเย็นแต่ว่าวันนี้ทํางานเพลินจนดึกไปเลย เหลืออีกไม่ถึงร้อยเมตรก็จะถึงปากทางเข้าบ้านแต่เกิดปวดท้องเบากระทันหันก็เลยจอดรถเข้าข้างทางและวิ่งเข้าไปตรงโคนต้นไม้ต้นหนึ่งพอจัดการธุระเสร็จเรียบร้อยก็รู้สึกเวียนหัวอีกจึงรีบเดินไปที่รถเพื่อจะขับกลับบ้านไปนอนช่วงนั้นเองที่รู้สึกวิววิวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและรู้สึกเหมือนว่ามีใครกําลังจ้องมองผมอยู่ทั้งที่ตอนนั้นไม่มีรถคันไหนผ่านไปมาเลยผมเริ่มรู้สึกเสียวสันหลังแล้วก็ขนหัวเริ่มลุกชันเพราะว่าบรรยากาศที่แปลกไป บรรยากาศในตอนนั้นทำให้ผมนึกถึงคำชาวบ้านที่เขาร่ำลือว่าถนนสายนี้กลายเป็นทางสายเปรี่ยวและน่ากลัวหลังจากที่มีข่าวว่าวิญญาณดังรสมาปรากฏให้ชาวบ้านพบกันอยู่บ่อยๆแล้วฉับพลันนั้นเองอยู่ๆก็มีลมเริ่มพัดแรงขึ้นพร้อมกับมีเสียงร้องไห้ของผู้หญิงลอยมาตามกระแสลมและมีเงาดามาทาบตรงหน้า ผมทั้งช็อกทั้งกลัวแต่มือยังคงจับแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์แน่นและรถก็ยังวิ่งไปข้างหน้าไม่หยุดจนพักใหญ่เงาดํานั้นก็เริ่มขยายวงกว้างออกแล้วก็เลื่อนผ่านไปตามแรงลมก่อนจะหายไปคุณลุงสวรรค์อยู่ปรุงนะคะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์หลอนของตัวเองเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทําให้คุณลุงนิเชื่อแล้วนะคะว่าสิ่งที่ได้พบเจอมากับตัวเองคือหนึ่งในปรากฏการณ์ความเฮี้ยนของวิญญาณรสที่ชาวบ้านกล่าวถานล่ํำลือนั่นเองค่ะ เรื่องราวเกี่ยวกับผีเลือกลงที่กล่าวมานี้มิได้มีแต่เพียงกรณีคุณโรธแห่งวัดห้วยตะโกตําบุญพเนียตอําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมดังที่เคยตกเป็นข่าวดังทางหน้าหนังสือพิมพ์เพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ทํานองนี้ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยามาแล้วครั้งหนึ่งและเป็นเรื่องจริงที่ฟังดูแล้วก็ค่อนข้างจะเหลือเชื่อพอสมควรซึ่งว่าหลายคนนะคะอาจจะไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นความจริง หลายปีที่ผ่านมาค่ะมีผู้หญิงสาวคนนึงที่ทํางานอยู่ในร้านขายลงศพเก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังค่ะถ้าเอ่ยชื่อนี้ออกไปนี่คิดว่าหลายท่านนะคะคงจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีหญิงสาวคนดังกล่าวเล่าให้ฟังค่ะว่าในค่าวันนึงขณะที่ร้านกําลังจะปิดอยู่แล้วได้ปรากฏว่ามีผู้ชายวัยกลางคนค่ะมาที่ร้านพร้อมกับบอกว่าอย่าเพิ่งปิดร้านเลยเพราะเขาต้องการซื้อลงศพหนึ่งลง เนื่องจากมีคนตายเมื่อครู่ใหญ่ๆที่ผ่านมาและต้องการใช้ลงศพเพื่อบรรจุศพภายในคืนนี้ด้วยขณะนั้นเธอก็เป็นคนเดียวที่ยังอยู่หน้าร้านนะคะแล้วก็เมื่อมีลูกค้ามาพร้อมกับความประสงค์ที่ชัดเจนแบบนี้เธอจึงจําเป็นต้องคอยต้อนรับนะคะชายคนนั้นเดินเข้ามาในร้านแล้วก็เดินเลือกลงศพอยู่นานในที่สุดค่ะเขาก็เลือกเอาลงศพใบหนึ่งซึ่งทําด้วยไม้อย่างดีดูเหมือนเขาจะพึงพอใจกับลงศพใบนั้นมากนะคะ จากนั้นเขาก็วางเงินจองไว้จำนวนหนึ่งค่ะพร้อมกับบอกว่าชื่อบัญชา พร้อมกับบอกหญิงสาวคนขายลงศพ บ, บอกว่าให้รอสักครู่เดี๋ยวจะมีคนขับรถมาเอาลงไปเองตอนนี้กําลังขับรถตามมาแล้วก็บอกต่อไปอีกว่าเขาจะต้องไปหาซื้อของใช้ที่จําเป็นอีกหลายอย่างเพื่อใช้ในงานศพเมื่อมีคนมารับโลงก็ให้ถามว่าคนตายชื่อบัญชาใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ให้รับโลงศพไปได้เลยไม่ต้องรอเขากลับมาเพราะคงต้องไปซื้อของอีกนานชายคนนั้นนะคะเดินออกจากร้านไปสักพักใหญ่ๆก็มีชาย3ามคนขับรถ กระบะนะคะมาจอดที่หน้าร้านพร้อมกับเข้ามาหาซื้อโลงศพค่ะเธอก็เลยถามไปบอกว่าคนตายชื่ออะไรพวกเขาก็เลยบอกว่าชื่อบัญชาเธอก็เลยบอกไปว่าเมื่อสักครู่มีคนมาจองโลงศพเอาไว้แล้วแถมยังวางเงินไว้ให้จำนวนหนึ่งเป็นค่ามัดจำด้วย คำพูดของหญิงสาวคนขายโรงศพค่ะทำให้คนเหล่านั้นค่อนข้างงงแล้วก็สงสัยว่าใครมาจองลงศพเอาไว้ก่อนแต่ก็คาดเดาว่าอาจจะเป็นญาติญาติคนอื่นนะคะมาจัดการจองลงไว้เพราะว่ากลัวร้านจะปิดแต่เนื่องจากเพิ่งทราบข่าวการตายจึงอาจจะทำอะไรสับสนอลมอันกันไปทั้ง3ก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะ ในที่สุดนะคะก็ตกลงที่จะเอาลงใบนั้นขึ้นรถพร้อมกับจ่ายเงินส่วนที่เหลือเป็นค่าลงศพให้กับเธอเรียบร้อยหญิงสาวรับเงินมาแล้วจึงหยิบเงินทอนให้ขณะที่ชายทั้งสามคนนะคะี่ค่ะขึ้นนั่งบนอตอนหน้าของรถกระบะทั้งหมดแล้วเมื่อเธอเดินไปหาเพื่อที่จะส่งเงินทอนให้วินาทีนั้นค่ะเธอบอกว่า เธอเข่าอ่อนขาอ่อนยืนไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้านะคะเป็นภาพขยายที่เตรียมไว้ไปวางไว้หน้างานศพนะคะก็วางอยู่บนรถคันนั้นด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรูปนะคะของคนที่มาเลือกลงศพแล้วก็จองลงศพไว้ตั้งแต่แรกเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชายทั้ง3ที่มารับลงศพฟัง ทุกคนขนลุกเกลียวหน้าตาตื่นเมื่อได้ยินสิ่งที่เธอเล่าให้ฟังและบอกว่าคงเป็นวิญญาณของคนตายที่ชื่อบัญชามาเลือกลงศพเองเพราะว่าคนตายผู้นี้เนี่ยเมื่อสมัยมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากนะคะจะซื้ออะไรทีก็ต้องเลือกสรรหาของที่ดีที่สุด แม้กระทั่งตายไปแล้วก็ยังอุตส่าห์มาเลือกลงศพด้วยตัวเองเธอก็เลยถือโอกาสถามพวกเขาต่อไปว่าคุณบัญชาผู้นี้เป็นอะไรตายเขาก็เลยตอบนะคะบอกว่าถูกยิงตายฟังแล้วเธอก็ขนลุกเกลียวค่ะนึกในใจบอกว่าตัวเองยังโชคดีที่เขามาให้เห็นในลักษณะท่าทางเหมือนคนปกติทุกอย่างเพราะถ้าหากมาในสภาพศพที่ถูกยิงตายมีบาดแผลชะกันทั่วร่างเธอคงช็อกตายในพริบตานั้นนะคะเพราะเคยได้ยินมาว่า ศพผีใต้โหงเนี่ยจะเฮียนมากเนื่องจากเป็นการตายโดยที่จิตยังไม่รับรู้นะคะว่าเกิดสิ่งใดกับร่างกายของตนเองหญิงสาวที่ทำงานอยู่ร้านขายลงศพ บ, บอกกับเราในวันที่มีโอกาสได้พูดคุยกันค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นเป็นประสบการณ์วิญ ญ, ญาณที่เธอประสบมาด้วยตัวเองเป็นเรื่องจริงที่ฟังดูเหลือเชื่อแต่มันก็เป็นประสบการณ์จริงที่สัมผัสมาอย่างชัดเจนจริงๆค่ะ